ทำไมพระพุทเจ้าถึงจัดว่ า, า, วาคารวะขับแคบแล้วก็ต่อได้ว่าเป็นทางมาแห่งธุลีอย่างวันนี้ก็ได้มาปฏิบัติธรรมแลนใช่ไหมชีวิตของคารวะชีวิตวุ่นวายทางโลกต้องทานูน่ทนทานี่หายอยู่หาินเ่ยนะ หลยเรื่องพันอย่างมันก็ทำให้มันวุ่นวายนะถ้าเปรียบเทียบคือเราไม่ได้ขัดแคลนเรื่องอ า, อาหารการกินอะไรหละแเราก็มีกินบางคนกินสามมือ้อบางคนกินสองมือ้อบางคนกินมืออ้อหนึ่งเงนี้มันก็มีเรียกว่าตามอัตภาพพอใจแบบไหนก็แบบนั้นใช่ไหม แต่ที่มันขาดก็คือขาดอาหารดีๆให้ใจการที่เรามาเข้าสมาธิอย่างี้ใจสงบนิ่งมีอารมณ์เป็นอันเดียวใจมันก็อิ่มอิ่มสบายมันก็ไม่วุ่นวายไม่ร้อนไม่ซัดสายใจมันก็ชุ่มเย็นมันมีกำลัง ใจมันไม่เหนื่อยใจมันรู้สึกแบบอิ่มอ่ะเหมือนคนกินข้าวอิ่มอ่ะเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ข้าง น, นอกแล้วเราจะมีเวลาหลีกเล้นมีเวลาที่จะหลีกไกลจากเรื่องวุ่นวายมันก็น้อยใช่ไหมแต่กันที่เรามีเวลาแบบนี้แล้วเนี่ยสามวันอย่างเงี้ยเราได้มาหลีกหนีออกจากความวุ่นวายชั่วคราวแล้วก็ได้มา อยู่กับตัวเองอยู่กับดูกายดูใจของตัวเองมีความสงบเกิดขึ้นมีอารมณ์ที่มันตั้งมั่นเียมันก็เป็นการให้อาหารใจที่ดีอย่าไม่ต้องอะไรมากไม่เฉพาะแต่พวกเราที่เป็นผู้ปฏิบัตินะแม้แต่ของเราเอง เราก็ได้เข้าสมาธิไปด้วยใจเราก็อิ่มใจเราก็สบายไปด้วยพอใจมันอิ่มใจมันสบายมันก็มันก็ดีไงไม่รู้จะพูดยังไงมันก็คือดีนเลยใจสบายใจก็มีความสุขนี่มีความสุขอยู่ในภายในมีความสุขที่มันไม่วุ่นวายไม่เราร้อนถ้าเทียบกับความสุขแบบข้างนอกโลกภายนอกมันเป็นความสุขที่มันยัง เราร้อนรุ่มร้อนอยู่แต่ความสงบความสุขแบบนี้เนี่ยมันเป็นความสงบเป็นความสุขที่ร่รมเย็นใจก็อิ่มเต็มบริบูรณ์อยู่ในภายในซ้ายหันซ้ายหันขว่ามันก็ดูพอใจัยมันมีอารมณ์ที่มันอิ่มมันเต็มแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็สบายไปหมดจะมองซ้ายมองขวาแล้วก็สบาย ฟังก็ส่วนฟังไปนะแล้วเราก็พยายามรักษาใจไว้กับสติเฉพาะหน้าที่ลมหายใจที่พุโทโธก็พยายามเอาอันนี้เป็นหลักส่วนฟังก็ฟังไปจําได้บ้างไม่ได้บ้างช่างมันอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่คือการที่เรามีทักษะของการทาความสงบ ให้มันเกิดขึ้นกับจิตใจอันนี้เรื่องสำคัญแล้วก็ทักษะอันนี้มันก็จะค่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนความเคยชินของใจเปลี่ยนความคุ้นชินของใจหรือที่เป็นนิสัยของใจให้มันมาเป็นในรูปแบบใหม่ที่ มีใจย้อนกลับเข้ามาหาตัวเองอยู่ในภายในแล้วก็ไม่วุ่นวายออกไปข้างนอกมากเท่ากับมันก็จะได้รู้จักออกไปทํางานรู้จักกลับเข้ามาพักจากเดิมที่ออกไปแต่ลุยร้อยเอ็ดเจ็ดยันน้าไปตอนนี้เราก็รู้จักวิธีที่จะดึงใจกลับมา ที่บ้านหลังใหม่คือลมหายใจคือพุทโธแล้วก็ให้มันได้พักได้เติมอาหารดีๆให้กับจิตใจตัวเองรู้วิธีที่เราจะหาอาหารดีๆให้กับจิตใจของตัวเองด้วยเพราะว่ามันก็มีส่วนที่ถ้าเราหาตามปกติมันก็มีส่วนที่เราพอใจอย่างเดียวแต่มันอาจจะไม่ ไม่ได้มีดีไม่ได้เป็นคนดีกับจิตใจเท่าไรเสพไปแล้วมีความเพลินมีความยินดีก็จริงแต่มันไม่สงบมันไม่เย็นมันไม่อิ่มไม่เต็มยังเร่าร้อนอยู่ยังหิวโหยอยู่ขับกันเป็นวิธีแบบที่เราไม่ต้องไปปิ้งข้าง น, นอกลับกลายเป็นว่าเราได้เติมอาหารอีกรูปแบบหนึ่งให้ใจ ผลที่ได้ก็คือใจที่เราไม่หิวไม่ร้อนรนไม่ดินรนใจสงบใจสบายใจเยือกเย็นผ่องใสเพราะฉะนั้นที่เหลือก็แค่ทำให้มันชำนาญทำให้มันเป็นคุณสมบัติของจิตใจแค่นั้นเอง เรื่องหลักการอะไรต่างๆมันก็รู้กันอยู่รู้ว่าต้องทํำยังไงมันก็ไม่ได้ยากอะไรแต่สิ่งที่มันมันมันจะเป็นตัวชีว้วัดก็คือชั่วโมงบินในการที่เราทุ่มเทให้กับมันความชํานาญที่เราได้จากการทุ่มเทฝึกมันอันนี้ก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าเราจะ พัฒนาศักยภาพใจของเราได้ดีไหมแล้วก็คอยที่จะมีสติคอยกำกับใจอยู่เรื่อยๆเห็นตัวเองนั่งอยู่เห็นตัวเองเดินอย่างเงี้ยสมมติเราเดินอยู่เราก็เห็นตัวเราเดินเราเดินไปข้าหองน้ําแล้วก็เห็นตัวเราเดินอยู่แต่บางครั้งมันอาจจะเผลอ ว่าเออเดี๋ยวจะทําอันนั้นอันนีเ้เดี๋ยวจะทันเวลาไหมมันก็ไม่เห็นตัวเองมันก็คําว่าตัวเราเนี่ยมันก็คือเหมือนหลบเข้าไปอยู่ในห่วงของความคิดพอเรามีส ต, ติระลึกขึ้นได้อีกเราก็เห็นตัวเราใหม่เห็นลมหายใจใหม่หรือเห็นพุโทโธอยูต้นเราก็จะมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายอะไรนะมันก็ ความหลงเป็นเรื่องปกติาการที่เราเปลี่ยนความหลงแล้วกลับมาเป็นสัมมาสติเกิดขึ้นได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นกําไรของเราเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆเนี่ยแหละแล้ก็จะมีสัมมาสติที่มันเป็นสัด ส, ส่วนให้มันมากขึ้นเรื่อยๆขอแค่เรามีใจที่เราจะคอยทําให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆ แต่ถ้าเราไม่มีใจที่เราจะทําให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆมันก็ไม่ได้ทำสักทีหนึ่งเพราะมันไม่ได้ทํามันก็จะยิ่งยิ่งยากอ่ะยิ่งยากที่มันจะเกิดขึ้นเหมือนเรามีโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งที่เราตั้งใจจะทําไม่ได้เนี่ยแต่ยังไม่มีเวลาทําเนี่ยแต่เรามีใจที่เราจะทํามันก็ยังคอยระดึกคอยหาจังหวะคอยหาโอกาสที่เราจะทําอยู่เรื่อยๆนั่นแหะ แต่ถ้าเราทอดทุระว่าช่างมันเหอะคงไม่ได้ทาแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้มันก็จะผ่านแล้วมันก็จางหายไปจากใจของเราผ่านไปจางหายไปจากสมองของเราแล้วเราก็แน่นอนมันอาจจะไปแล้วไปรักไม่กลับมาแล้วก็อาจจะไม่ได้ทำอีกเลยฉันได้ฉันนั้นนะขอแค่เรามีใจที่ยังผูกเอาไว้ก่อนมันก็จะเป็นสิ่งที่มันก็ยังคอย ถึงยังไม่ได้ทําแต่มันก็ยังเป็น เ, เรียกสัญญาใจที่มันจะค่อยระลึกถึงว่าเราจะทํานะเรามีความตั้งใจเป็นพุนเดิมอยู่น ะ, มะเมล็ดพันธุ์ของความตั้งใจของเรายังอยู่นะแล้วพอเรามีจังหวะเรามีโอกาสมันก็จะเราก็จะไม่ละเลยที่จะทํามันสติก็ เ, เหมือนกันถ้าเราตั้งใจที่เราจะคอยฝึก เราก็จะมีใจที่เราจ ะ, ะระลึกนึกถึงลมหายใจบ่อยๆนึกถึงพุทโท บ, บ่อยๆถ้าเรามีเกีตใจแบบนี้เนี่ยเลี้ยงความพอใจเลี้ยงความตั้งใจเอาไว้อย่างนี้ได้มันก็คือชื่อว่าเราปราลบความเพียรอยู่เรื่อยๆหนึ่งเนือน ก า, ารปรบความเพียรนี่มันก็ท่านว่าไว้ก็ต้องยาวอยู่เหมือนกันนะแต่ก็เริ่มต้นที่ชั้นดังจุเนติกนะ์คือยังความพอใจคือฉันทะนะความยินดีพอใจให้มันเกิดขึ้นถึงมันจะยังไม่ได้ทำก็ผูกความตั้งใจไว้ก่อนผูกความยินดีกับการงานอันนี้ไว้ก่อนชั้นดังจุเนติวายมติคือปรับคือเริ่ม เราผูกใจไว้แต่เรายังไม่มีโอกาสแต่พอเรามีโอกาสแล้วเราก็เริ่มที่จะทำมันมก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งขึ้นมาฉันดำฉัเนเนติวายมติวิริยังอารพติคือปรารกความความเพียรวิริยะมันแปลว่ากล้านะ่ะก็แปลได้หลายนัยยะกล้าด้วยเพียรด้วย ครัปลาลบความเพียรปลารบความกล้าขึ้นมากล้าที่ไหรกล้าที่จะหักความตั้งใจเก่าๆที่มันไม่ดีออกไปอยากจะทําวันนั้นอยากจะทําวันนี้มันมีหลายอย่างแต่เราก็หักหักใจกล้าที่จะหักมันออกไปแล้วก็มาปลารบความเพียรในการที่เราจะย้อนใจกลับมาที่ลมหายใจหรือพุโทโธ ก็ถ้าปารบแล้วหักเรียบร้อยแล้วสเตปต่อไปก็เรียกอะไรจิตตังประกันหาติก็คือประคองประคองจิตเอาไว้อย่างเราย้อนใจเรากลับมาที่ลมหายใจได้ย้อนใจเรากลับมาที่พุโทโธแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ประคองมันไว้จิตตังประกันหาติประดัหติก็ทรงไว้ อนขั้นตอนการปลารบความเพียรในตำรานั้นก็ว่าว่ายาวเหมือนกันนะแต่เวลาทํำจริงมันก็ชั่วขณะเดียวเท่า น, นั้นแหละเราผูกใจเอาไว้ว่าเราจะอยู่กับพุโทโธนะอยู่กับลมหายใจนะเราก็คอยรึกพุโทโธ บ, บ่อยๆเผลอก็ดึงกลับมามันก็ขึ้นชื่อว่าเราก็ทําตามขั้นตอนทั้งหมดนั่นแหละมันก็อยู่ในรวมกันเป็นอันเดียวนั่นแหละ ในตำหลับตำรามันก็อย่างหนึ่งนะถ้าเราอ่านตำราเราจินตนาการไปมันก็ไปได้เยอะนั่นแหละแต่ถ้าเรารู้แล้วเราเข้าใจสภาพมันแล้วเราไปอ่านตำราเราก็ยิ่งเข้าใจว่าจริงๆมันก็มันก็แบบนี้แหละแต่ถ้าบางครั้งเราอาจจะยังไม่ได้เจอสภาวะตามความเป็นจริงเนี่ยอ่านตาราไปมันอาจจะแบบใช้จินตนาการอย่างเดียวอาจจะ อาจจะเป็นเพี้ยนเบียเบ้ยวๆไว้เล็กน้อยไม่ตรงตามความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติจริงๆเนี่ยท่านจะถึมบอกว่าก็ให้วางกำลังเาวไว้ก่อนเราก็อยู่กับการงานที่เราควรจะต้องทําก็คือมีสติอยู่กับพุทโทมีสติอยู่กับลมหายใจอย่างนี้เป็นต้นก็ทํา ง, ง่ายๆแค่นี้แหละใจเรามันจะได้ไม่ต้องมีอะไรวุ่นวายเยอะพอเราทำอย่างนี้ได้เพิ่ม ตำลับตำดาที่ว่าไว้มันก็มารวมลงจุดนี้แล้วเนี่ยพอมันได้ผลยังไงปุ๊บเราค่อยเลิกทําแล้วเสร็จการงานแล้วเราค่อยเอาตํารามาเทียบเคียงก็ยังไม่สายแต่ณนะขณะที่เรากําลังทําอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็วางตําราไว้ก่อนอย่างนี้มันจะได้ไม่เป็นตัวเรียกว่าเครื่องที่มันจะดึงใจเราออกไป อย่างบางคนภาวนาไปหลับตาไปปุ๊บใจมันไปคิดถึงแต่ผลคิดถึงแต่ความผูกโยงที่ว่าเราเคยได้ยินได้ฟังมาแบบนี้แบบนี้แล้วเราก็จะพยายามตั้งใจให้เรามันเป็นอย่างนั้นอย่างโน้นอย่าง น, องอางนี้มันก็ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันสักทีหนึ่งซึ่งผลของการปฏิบัติของแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยในรายละเอียดเปรียย่อยมันมันไม่ค่อยเหมือนกัน บางครั้งเราเอาไปจับเอาประเด็นเล็กน้อยเอ้ทําไมไม่เหมือนเขาสักทีหนึง่งมันไม่เหมือนที่เขาว่าสักทีหนึง่งแต่ที่มันจะเหมือนกันมันก็จะเหมือนกันตรงจุดใหญ่ๆนั่นแหละอย่างยกตัวอย่างเราจะพุทโตหรือดูลมหายใจหรือบางคนยุบหน่อพองหน่อยเงี้ยวันนี้มันเป็นวิธีการเป็นวิธีการที่เราจะไปถึงจุดที่เรียกว่าทําความสงบใจให้มันได้มันเราขึ้นเขาอ่ะ สมมติเขาลูกนี้มันมีอยู่สักสองสามจุดพักอย่างเงี้ยจุดพักขึ้นเขาทางนี้ก็มีจุดพักขึ้นเขาทางนี้ก็มีจุดพักที่ระดับเดียวกันนะเพราะฉะนั้นจะขึ้นเขาทางทิศตะวันออกขึ้นเขาทางทิศตะวันตกวิวมันไม่เหมือนกันหรอกแต่มันก็จะขึ้นไปถึงยอดเขาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เอาตรงผลตรงผลลัพธ์ตรงนั้นเนะี่ย เป็นตัวเป็นจุดที่เราจะเอาไว้อ้างอิงกนันนะว่าไม่ว่าจะวิธีนี้วิธีนั้นเนี่ยมันก็มาจบอยู่ตรงจุดนี้นั่นแหละพอเราเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะได้ไม่ไม่ไปวุ่นวายกับในรายละเอียดที่มันไม่จําเป็นมากจนเกินไปพูดง่ายๆกคือความรู้ความจําที่เราเคยจํามาเนี่ยบางครั้งมันมันก็ยังไม่จําเป็น ยังไม่ได้เป็นเรื่องจําเป็นในะปัจจุบันตอนนี้เขามาศึกษ า, อาของจริงใตอนนี้ดีที่สุดเห็นตําราใหญ่ก็คือที่จิตใจของเราเองความสงบเกิดขึ้นใจเราสบายเราก็ให้ใครมาบอกว่ามันมันไม่ดีอ่ะมันก็พูดไม่ได้หรอกเพราะมันเห็นทนโทษ อ, อยู่กับตัวเองว่าใจเราสงบมันสบายยังไง ใครจะบอกว่าสบายแล้วมันไม่ดีจะให้ร้อยปากพันปากหมื่นปากแสนปากมันก็ใจเรามันก็ไม่ไม่ลงห้างหรอกถ้ามันก็ดีมันก็ดีที่ใจเราใจเรารับรู้ว่ามันดีมันก็คือดีอะ่ะสมล่ะของจริงมันเป็นอย่างนั้นเลยเ้นทําก็คือที่จะมารู้รู้ต่างความเป็นจริงนี่แหละ รู้ของจริงณปัจจุบันที่เราเป็นไม่ได้ของจริงที่กําลังจะมาหรือไม่ใช่ของจริงที่มันเกิดขึ้นไปแล้วอันนี้ไม่เอาจะเราเอาของจริงที่มันกําลังเกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยสงบน้อยก็รู้หรือกําลังฟุ้งซ่านก็รู้อย่างเงี้ยสงบมากก็รู้สงบแบบ เงียบไปเลยเงี้ยก็รู้หรือว่าสงบแบบกำลังพิจารณาอยู่ก็รู้มันเป็นปัจจุบันนะขณะจริงๆเอาให้มันได้อย่างนั น, นนั้นก็ไม่รู้ว่าจะย้ําเบรกเป็นรอบที่เท่าไหร่แหลมันออกมาจากจุดเดียวจุดเดียวกันก็คือจุดที่เรียกว่ามีสติกํากับใจอยู่มีสติคอยคุ้มครองใจอยู่ มีสติที่เราผูกไว้กับเครื่องอยู่ก็คือลมหายใจก็ดีพุดโกก็ดีซึ่งอยา่างบางคนดูลมไปแล้วเนี่ยลมมันอาจจะบางไปบางไปเบาไปจนบางครั้งอาจจะรู้สึกไม่ได้แต่ความรู้สึกตัวที่มันชัดอยู่มันเด่นอยู่อย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปหรือเอาลมขึ้นมานะก็ปล่อยมันไปเพราะจริงๆขึ้น็เหมือนอย่ที่บอกที่เราอยากได้จริงๆคือสติ ไม่ได้อยากได้ลมหายใจหรอกลมหายใจมันเป็นพิธีการเฉยๆหรือพุโทโตก็เหมือนกันถ้ามันจะเงียบไปแต่สติเราชัดอยู่อย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปรื้อพุโทโธขึ้นมาก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากได้เราบรรลุวัตถุประสงค์แล้วคือสติที่มันแจ่มชัดอยู่ในภายในสงบตั้งมัน่นเราก็ประคองอันนี้เอาไว้ซึ่งถ้าเราประคองอันนี้เอาไว้ได้ดีแล้วเนี่ย เราก็เอามันมาทำงานโดยการที่เรามาพิจรารณาร่างกายเราดูไปเรื่อยๆอันนี้บอดนะบอดอันนี้หัวใจอันนี้กระเพาะอาหารอันนี้ลําไส้อันนี้เนื้ออันนี้มีน้ำเลือดน้ำหนองอยู่อย่างเงี้ยเป็นต้นก็ค่อยไล่ดูไปเห็นชัดไม่ชัดก็ช่างมันก็ดูไปเรื่อยๆ เวลาชัดอย่ายมันก็ผางขึ้นมาในใจเองเรออมันชัดอยู่ในใจเราอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้ให้ไปคาดหวังว่ามันจะเป็นยังไงนะก็ให้มันเอาตามปัจจุบันที่เป็นนี่แหละจะนึกก่อนก็นึกไปแต่อย่างน้อยๆถ้ามันจะนึกมันจะฟุ้งก็ให้มันอยู่ในร่างกายเราเนี่แหละคอยดูใจไปคอยดูการพิจารณาไป ถ้ามันมาตรงอัติต่างมาตรงขาเราอย่างเงี้ยนะออมันก็เป็นกระดูกเนาะบางคนอาจจะไม่ได้เห็นกระดูกก็ได้อาจจะรู้สึกว่ามันมีเนื้ออยู่มีหนังอยู่เี้ยมีเนื้ออยู่นะอ่าตอนใต้นี้เป็นไงอ๋อใต้นี้มันก็มีกระดูกนะมันปวดปวดหน่อยสองปวดปวดไอสองปวดปวดมันก็มีอะไรสักอย่างนึงมาขั้นไว้นี่เป็นต้นนะก็ไล่ดูไป ดูไปตรงนี้กัดูไปชิ้นอื่นบ้างดูชิ้นนี้เสร็จแล้วก็ไปดูชิ้นอื่นบ้างไล่เรียนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเก็ให้มันมีสติแบบเนี้ยเล่นไปในกายอย่างนี้เราก็จะได้ขึ้นชื่อว่าเรามาพิจารณากายมีสติไปในกายศนะาสตร์ทเทคนิคก็เขาก็ให้ชื่อว่ากายยะตาสติใช่ป่ะมีสติที่มันเป็นไป ในกายขาตะมันแปลว่าถึงแล้วกนะ็ถึงก็เป็นไปนั่นแหละมีสติที่มันถึงกายอยู่ในกายอย่างน้นยก็จะต้องสลับสลับกันนั่นแหละระหว่างพี่นานแล้วสักพักหนึ่งล้วก็ย้อนกลับเข้ามา ทำความสงบใจให้มันแน่วแน่เป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งพอมันอารมณ์เป็นหนึ่งดีแล้วดีสักพักหนึ่งล้วก็เอามาทำงานต่อก็ไล่ดูกายไปก็ทาสลับไปสลับมาอย่างนี้แหแต่ถ้าเราไล่เรียงดูไปดูกายไปเรื่อยๆแล้วมันยิ่งดูใจมันยิ่งเริ่มแบบหาความมั่นคงไม่ได้ มีความซัดสายมากใจไม่ไม่สบายอย่างนี้นะอันนั้นก็ให้ย้อนกลับมาอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจแล้วให้มันนิ่งมีอารมณ์ปเป็นหนึ่งสกก่อนว่มันมีอารมณ์ปเป็นหนึ่งนิ่งดีแล้วเราก็ค่อยเอาไปทำงานใหม่สลับกันไปสลับกันมาอย่างเงี้ยก็ใจเรานี่แหละมันจะเป็นประมาณเป็นตัวบอกเองว่าอานนําคนพัก หรือว่าควรจะเอาไปทำงานได้แล้วแต่สิ่งสาคัญคือถ้าเราไม่คิดจะเอามาทำงา น, นมันก็จะนิ่งๆไปเรื่อยๆซึ่งมันก็ได้แต่พักอย่างเดียวมันมันยังทำประโยชน์ที่อันควรจะได้ไม่ได้ังนั้นก็อย่าลืมที่จะขยันในการพิจารณาด้วยพิจารณากายในเรานีน่ดูไป นอกจากจะดูชิ้นส่วนต่างๆแล้วบางทีเราอาจจะคุยกับมันด้วยก็ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอเอาเผาไฟแล้วกลายเป็นกองขี้เท่าอย่างเงี้ยครับที่เราเห็นเมื่อเป็นคนเมื่อกี้มันไม่ใช่เป็นคนแล้วนี่ความเป็นคนมันหายไปแล้วใจมันก็จะได้เห็นได้ได้มีความจริงที่เราพิจารณาอยู่เรื่อยๆ คอยเก็บสต็อกเอาไว้นะสต็อก ค, ความรู้สึกของที่เห็นตามความเป็นจริงสะสมเอาไว้ที่เล็กน้อยในใจ